สิขาบทวิพังสามรที่ชื่อว่าความไม่เอื้อเฟื้อได้แก่ความไม่เอื้อเฟื้อสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งความไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลวงเล็บสองความไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมที่ชื่อว่าความไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลได้แก่ภิกษุถูกอุปสัมบันิตักเตือนด้วยพระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อด้วยกล่าวว่าผู้นี้ถูกสงลงอุเปขคนียกรรม ถูกสงดวงมินหรือถูกสงตำหนิคำพูดของผู้นี้ไม่น่าทําตามต้องอาบาดปาจิตตีที่ชื่อว่าความไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมได้แก่ภิกษุถูกอุปสัมบัติตักเตือนด้วยพระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อด้วยกล่าวว่าจะทําอย่างไรทําข้อนี้พึงเสื่อมพึงศูนหรือพึงอันตรทานไปหรือว่าเธอไม่ประสงค์จะศึกษาพระบัญญัตินั้นจึงไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบาดปาจิตตี